ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาธไลศรีปทุมกงนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกาอีกเช่นเคยวันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทุติยสูตรคือสูตรที่สองก็เป็นคำกราบทูลถามของเทวดาอีกเช่นเคยแต่ว่า คำถามเหล่านี้ก็เทวดาก็มาถามกันหลายองค์องคหนึ่งก็ถือว่าบางข้ออาจจะซ้ํากันบ้างแต่ว่าลักษณะปัญหาอยู่ในแนวเดียวกันเพราะนั้นเวลาท่านนํามาร้อยเรียงตอนสังขยนาท่านก็พูดเป็นประสูตรที่หนึ่งประสูตรที่สองประสูตรที่3มสูตรที่สี่ก็อาจจะไม่แน่ ลักษณะโครงสร้างของปัญหาเป็นเช่นเดียวกันเทวดามากราบทูลถามสามประเด็นประเด็นแรกก็คืออะไรหนอเป็นเพื่อนของคนคือประเด็นตรงนี้ผพสังเกตว่าการจะพูดถึงเพื่อนเนี่ยเราก็พูดได้เยอะแต่ว่า ในที่นี้แสดงว่าเทวดาที่มากราบทูลถามมีพื้นฐานทางสติปัญญาสูงพอพระพุทธธรรมตรัสตอบตอบจึงมีลักษณะลึกลงไปคืออย่างรากลึกลงไปคือเป็นการสืบสาวถึงที่มาของความปิดเพื่อนแล้วก็เพื่อนที่แท้จริงของเราเนี่ยก็คือตัวของเรา คนอื่นก็ถือว่าเป็นเพื่อนภายนอก แ, แม้แต่เป็นคัดศึกที่ถือว่แรงเนี่ยก็คือตัวของเราที่เป็นคัดศึกตัวเราเนี่ยก็ถือว่าแรงบอนเพื่อนที่มีความสําคัญก็คือจิตใจของเราเองจิตใจตั้งไว้ผิดหรือตั้งไว้ชอบแต่เราตั้งไว้ผิดมันก็กลายเป็นปาปมิตรคือเพื่อนไม่ดี แต่ถ้าเราตั้งไว้ในทางที่ชอบมันก็เป็นกันลยาณมิตรคือเป็นเพื่อนที่ดีวันในที่นี้พระพุทเจ้าทรงแสดงว่าศรัทธาดุติยาปุริสัสาโหติศรัทธาเป็นเพื่อนสองของคนหรือพูดง่ายๆว่าเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนแต่สาชนเพิงสังเกตว่าเราจะเจอศรัทธาอยู่เรื่อย พระธรรมชุด น, นี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาสนีนอะไรตไร่างๆเราจะเจออยู่ตลอดเพราะรอะไรเพราะว่าเป็นธรรมะหลักเอาพามาเป็นฐานใจฝ่ายกุศลคือกลุ่มอริยมรรที่เป็นหลักคือการเข้าสู่สาศาสนาของคนเรา ถ้าเรามองให้ดีแล้วเราจะเห็นว่าศรัทธานำหรือว่าปัญญานำศาสนาส่วนมากก็จะเริ่มต้นที่ศรัทธาศาสนาพุทธในบางระดับมันก็ต้องเริ่มที่ศรัทธาแต่ส่วนใหญ่จะมุ่งพัฒนาศรัทธาปัญญาคู่ขนานคือเป็นปัจจัยส่งเสริมซึ่งกันและกัน เดีย๋ยงไงก็ตามคือเอาข้อจริงเรื่องลึกๆเนี่ยเราก็ยากที่จะไปใช้ปัญญาได้ผลศรัทธาจึงมีความจำเป็นอยู่ตลอดและศรัทธาจึงเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของคนจกจุดเริ่มต้นที่เข้าสู่หลักการที่ถูกต้องจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพา น, นเรราะรจึงจะพบพระพุทธรรมบัตรที่ทรงแสดงเกี่ยวกับศรัทธาไว้ในระดับต่างๆเป็นนันมาก เช็นศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้สำเร็จประโยชน์หรือว่าในภาคของการศึกษาประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเองศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งสเสบียงคือกุศลศรัทธาคือเพื่อนคู่ ค, คู่คิดมิตรคู่ใจของคนแล้วก็ไปเรื่อยไปนะฮะจนถึงสูงสุดคือนำไปสู่นิพพาน ก็ศรัทธายะตรติโอขังบุคคลจะข้ามวงน้ำคือสังสารวัฏได้เนี่ยโดยอาศัยศรัทธาคือศรัทธาที่เคยพูดกันมาโดยลำดับเนี่ยก็เป็นศรัทธาที่เราคุยกันโดยทั่ ว, วไปโดยพื้นฐานในความเป็นพุทธศาสนิกชนตัวหลักจริงๆเนะี่ยคือเขาเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธา ก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธคุณทางเก้าบทที่เราสวดสเสริญนี่แหละอิติปิษโสภควารังสมาสพุโทโธเนี่ยคือแต่ละข้อพอเราหยิบขึ้นมาคิดพินิษพิจารณามันก็กลายเป็นเรื่องชี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะที่จะย่างรากได้ลึกแล้วก็ดำรงอยู่อย่างมันง่นคงมันก็ต้องอาศัยทางการศึกษาแล้วการน้อมใจเชื่อ เพราะในบทอิติปิโสทั้ง9ก้าบทลองสังเกตคำแปลนะฮะว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระภูมีพระภาคเจ้าหนึ่งอรหังทรงเป็นพระรหันต์สัมมาสัพุุโธสัสรูดีสัตรูชอบด้วยพระองค์เองวิชาจะนะสัมปันโนท ร, ทรงสมบูรณ์ด้วิชาแล ะ, จะเจรณะสุกโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตรโรปริสดามสาศรติทรงเป็นสารตีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารติอื่นจะยิ่งไปกวา่าสถาเดวะมนุษสานางทรงเป็นาศาสตาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานพระกว่าเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมทรงประกอบด้วยพระธรรมเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ที่กรอบด้วยมหากรุณาเป็นต้น ซึงหมายความว่าถ้าเราจะนำมาร้อยเรียงแสดงนรงความเข้าใจเนี่ยโอ้โหแต่มาเขียนหนังสือได้เป็นพันพันหน้าเลยเพราะแต่ละข้อนี่ลึกซึ้งมากๆแม้แต่คำว่าอลหังคำเดียวนะฮะเราเชว่ามันจะแตกกรอบความหมายออกไปอีกแต่ละข้อเนี่ยเรียวกว่ามีนัยยะแล้วก็ยังมี ขยายเป็นข้อย่อยออกไปแต่บรรณาที่เราพูดกันโดยทั่วไปเนี่ยก็หมายความมาพูดระดับพื้นฐานก็จะพูดถึงเรื่องศรัทธาสี่ประการคือกรรมศรัทธาเชื่อความมีอยู่ของกรรมได้กระเจตนาที่เป็นเหตุให้บุคคลทำพูดคิดไปดีบ้างไม่ดีบ้างหรือแม้แต่กลางกลางบ้าง ก็ถือว่าเป็นกรรมคือการกระทำแต่ความคิดดีการพูดการทำก็ดีแต่คิดไม่ดีการทำการพูดก็ไม่ดีและสิ่งที่ทำนั้นก็เป็นบุญหรือเป็นบาปหรือว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลก็แล้วแต่เราจะเรียกในช่วงตรงไหนเรียกตรงไหนมันก็คือการ น, นั่นแหละแล้วก็วิปากสทาคือเชื่อความมายู่ของผลแห่งการ พูดการทําการคิดของเราเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องกันไปอะ่ะมันก็คล้ายๆกับเราเคาะและขักขงก็มีเสียงดังมีเสียงหวยหวนก็ต่างกันมาแต่มีลักษณะที่ต่อเนื่องกันแล้วกรรมชกตาชทตาเชื่อความมีอยู่ของผลคือหมายความว่าเราทําอะไรไว้เราก็เป็นเจ้าของผลอย่างนั้น เนี่ยก็จริงเราก็ยังไม่ได้อีกละคือบางเรื่องเราก็ยังไม่ได้กราอย่าลืมว่าเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากเป็น ค, คนจะยังรู้เรื่องกรรมได้เนี่ยมันเป็นระดับญาณ น, นะฮะไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกคุณทองออก็ได้เป็นความรู้ระดับญาณจึิงจะสามารถจำแนกกรรมได้แล้วคนที่จำแนกได้ยังไม่มีบกพร่องเลยเนีย่คือพุทธญาณเท่านั้นคนอื่นไปจำแนกไม่ได้ มันรายละเอียดที่เอาก็จริงมันถี่ยิบเป็นขนาพรางการจะแยกได้ว่าอาการเหล่านี้มีเหตุมาอย่างนี้ผลอย่างนี้เกิดจากเหตุอย่างนี้เหตุอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างนี้เนี่ยมันสติปัญญาจะต้องลึกซึ้งแหลมคมแล้วก็จะสรูท้ทีเดียวผลส่วนหนึ่งเราก็ต้องใช้ตาตากะตะปุถิดธาคือเชื่อปัญญาการสัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที น, นี้ถ้าเราพูดถึงความเข้มข้นลักษณะของศรัทธาที่มีความเข้มข้นมันแตกต่างกันให้เราสังเกตว่าอะไรก็าตามมันมีความเข้มข้นที่ไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าเมตตาเนี่ยความเข้มข้นทั้งแนวลึกทั้งในแนวกว้างทั้งแนวที่สูงขึ้นเนี่ยชีจริงมันมันมันจะแตกต่างกันมาก คือคนบางคนอาจจะเมตตาได้ในแวดวงจํากัดคือไปในครอบครัวตัวเองพอถึงญาติพี่น้องยังไปไม่ได้เลยแล้วบางทีก็อาจจะเมตตาอยู่ในเครือข่ายพี่น้องของตัวเองแต่พอไปถึงลูกพี่ลูกน้องก็ไปไม่ได้แล้ววันอันนี้คือความลื้มข้นมันต่างกันชื่อมันก็เหมือนกันแหละแต่ความเข้มข้นจริงๆจะต่างกัน ผลศัธาทีาเราพูดถึงระดับของความเข้มข้นเนี่ยท่านเรียงไว้ในพระคำภีปปัญญสูทนีเป็นคำภีระดับอันตกรฐานะฮะแต่ว่ารวบรวมมาจากพระไตรปิฎกเป็นอันตกรฐาอธิบายพระคำภีมัชิมนิกายท่านก็เรียง เป็นลำดับของความเข้มข้นประการแรกเขาเรียกว่าอากรรมะัทธาหรืออาคมอากะมะณะสัทธานะอาคมสัทธาความเชื่อที่มาแต่อภิเนหานแห่งพระสัพพัญยูโพธิสัตย์เจ้าหมายความว่าเราเห็นปฏิหาริย์ในด้านต่างๆของพระพุทธเจ้าเนี่ย แล้วจะเกิดศรัทธาภาษาท่าขึ้นนะขณนี้ท่านฟังคงนึกออกนะฮะเรื่องพุทธรวัตคือตอนที่พระโพธิสัตว์ประสูตรแล้วเสด็จดำเนินโดยด้วยพระบาทได้ถึงเจ็ดเก้าแล้วก็เปล่งวาจาได้ในมันโอ้โหเรื่องใหญ่มากๆากผคนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเคารพหมดเลยทั้งๆที่เป็นเด็กเพิ่งประสูตรวันนั้นนะ แล้วก็พร้อมที่จะมอบกายถวายชีวิตไปรับการทำนายจากอสิฎาบทเนี่ยพระประยุทธญาติที่ตามเสด็จข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเนี่ก็ประกาศอธิษฐานว่าถ้าเจ้าชายเป็นราเจ้าจากักรพรรดิจะขอโดยเสด็จร อ, อยุคนบาดสนองพระราชกิจของพระอค แต่ถ้าเสด็จออกพนูษยก็จะขอบวชโดยเสด็จถึงเหตุการณ์นี้มันจริงมันอยู่ในอนาคตอีกตั้งสามสิบกว่าปีนะฮะสามหกปีแต่ว่าสัทธาตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยมีเป็นนันมากที่ออกบวชรออยู่ เ, เช่นพวกปัญญบคีเนี่ยก็ออกบวชรอแหละหรือท่าน นาลกะหลานชายของอาสิทดาบทเนี่ยไปบวชรออยู่พอรู้พระเจ้าศา ส, สรู้ก็เข้าเฝ้าเลยา น, นาลกะนี่มัาเกิดศรัทธามาจากปฏิหาในดนต่างๆแล้วก็ตอนที่พระชนบรรสาเจ็ดขวบประทับนั่งบำเพ็ญเพียรเจริญนาปาณสติจนบรรลุรูปฌานด้วยวัยเพียงเจ็ดววขวบ ตอนนั้นไม่เจ้7เขวบแ่ห้าขวบแล้วก็เงาของต้นว่าที่ประทับตั้งเนี่ยมันไม่คล้อยไปตามตะวันตะวันบ่ายแต่เงายัางเที่ยงอยู่เป็นปรากฏการณร์ใีการสจรรัรนปิดบังไม่ให้แสงแดดมากระทบพระวรกายของพระบุ ธ, ธิสสะผลปาฏิหารหล่าเนี้ยเราจะเห็นว่าคนเขาเห็นแล้วนี่จะเกิดศรัทธาเลื่อมใส วันตอนนี้พระเจ้าทรงแสดงอย่ามุกปฏิหารอะไรแต่ละคราวเนี่ยแสดงปฏิหารแต่ละคราวเนี่ยอย่านำคอนกลนเข้าสู่สาศาสนาได้เยอะมากศรัท ธ, ธาที่ปุรกตัป ว, ป, วปฏิหารเนี่ยก็วันก่อนเมื่อวันที่ 17, สิบเจ็ดเมษายนได้ไปที่จังหวัดนคร งา น, านประดิษฐานพระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชในภาคที่ทรงผนวดเป็นพระแล้วก็คุยกับพระที่เขาเกี่ยวข้องอยู่กับจตุคามรามเทพเนี่ยบอกว่าเวเนี่ยเราประทับกระแสนี้ไม่ได้เมื่อประทัไม่ได้ก็ต้องใช้ประโยชน์จากเทวตานุสติเนี่ยให้เป็นธรรมานุสติหมายความเอาธรรมะของเทวดานี่ฝากไป หรือว่าศีลเนี่ยฝากไปบอกว่าใครพกจะตุคามแล้วโกหกไม่ได้ผิดลูกเมียเข้าไม่ได้ลักขมโมยไม่ได้เสียยาเสพติดไม่ได้อะไรต่างๆถ้าเป็นงั้นจะไม่ขังแล้วก็ให้เขาปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติตามศีลทำทั้งขังแน่เะยเจตุคามขังไม่ขังไม่รู้ว่าแต่ศีทลทำขังแน่ อันนี้ก็คืออะไรก็คืออาศัยปาฏิหาร์ถึงก็เป็นความเชื่อของคนคนหนึ่งศรัทธาในส่วนที่ของปาฏิหารินี่เยอะแม้ตอนพระปินโรละพาตระวาชาแสดงปาฏิหารที่ไปยี ป, ปบาทจากราชการเศรษฐีคนก็คือศรัทธาเรื่องสในศาสนาเยอะแต่พวกเรานี้ตามปกติแล้วเนี่ยมัน ใจบ่อยไม่ดีหรอกคือว่ า, อาคนมันจะมีลักษณะฉาบฉุยแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นพอเจอพระที่ไม่แสดงปฏิหารเลยไม่นับถือเลยใกลเทศก็ต้องแสดงปฏิหารก็เลยกลายเป็นการเล่นปาหีไปแต่ว่าปฏิหารนี่สำคัญเนี่ยตอนนี้ที่จริงเป็นอิทธิปฏิหาร นะเป็นปาฏิหาริย์คือเป็นอิทธิฤทธิ์ต่างๆอีกคนก็เ็นแล้วก็เกิดสตาเลื่อมใสประการต่อไปนั้นเป็นความเชื่อที่บังเกิดความผ่องใสขึ้นภายในจิตใจ หมายความว่าน้อมนำเอาพระคุณไปปฏิบัติคือแม้แต่เห็นผู้ปฏิหารเนี่ยใจมันจะผ่องใสจากความเคลือบแคลงสงสัยจากความไม่เชื่อจากความลังเลต่างๆเพร่า น, นใจก็จะผ่องใสแล้วก็จะสยบด้วยพุทธานุภาพยังได้เคยเล่าถึงกลุ่มผู้หญิงสาหายขนางวิสาขาห้าร้อยคน ก็แอบเอาเหล้าซ่อนมาเพื่อแอบดื่มแด่ว่าอ้างมาฟังเทศในพุทธสํานักเพื่อให้สามีเขาอนุญาตแล้วเธอก็จิบเหล้าดื่มไปได้เลยอาการกิริยาเริ่มผิดปกติพระเจ้าทรงกําหนดพระไทยก็รู้ทันทีทรงบรรดาในพื้นที่ตรงนั้นมันมืดมิดไปทันทีเลย คนก็ตกใจอะที่สว่างสว่างนี่มันเกิดมืดขึ้นมาก็ตกใจก็สั่งเมาแล้วมีลำแสงพุ่งออกมาไปสาดใส่หน้าคนเลาวนั่นแล้วก็รับสั่งว่าเธอทั้งหลายจะมัวเพลิดเพลินรื่นเริงอะไรกันอยู่อีกเล่าในเมื่อโลกสันนิวาตน้ลุกโรงอยู่ตลอดเวลา ธอ ท, ทั้งหลายที่ถูกความมืดทุ่มหมอกเอาไว้ทำไมจึงไม่แสวงหาประที่เป็นเครื่องสองทางให้แก่ชีวิตแล้วเพวคนก็อัศจรรย์ตั้งแต่น้นแล้วตั้งแต่ที่สว่างกลายเป็นมืดแล้วก็จากมืดกลายเป็นลำแสงพุ่งเข้ามาเนี่ยผลนิความเทศตอนทีหลังก็บรรลุผลกันเพราะใจเขาเขาผ่องใสจาก ไ อ, ไอ้ความอยากที่จะดื่มเหล้าก็เลิกดื่มไปเลยและอีกประการหนึ่งก็คือความเชื่อที่ถึงกับการหมายความว่าจิตใจเนี่ยมันน้อมไปที่ยอมรับนับถือ แล้วก็ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าจนขนาดที่ไม่หวั่นไหวหรืออย่างน้อยที่สุดก็ประกาศตนเป็นอุบปสมิโทเป็นอนุปสิกาเป็นภิกษุเป็นสา ม, มนเณรก็แล้วแต่แต่พวกนี้ที่จริงเขาเรียกว่ายังยังหวั่นไหวคืออาจารลัศรัทธาคือศรัทธามันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็เรียกว่าจารลัทศรัทธาคือสั่นไหวอยู่ตลอด สันไหวอยู่ตลอดแล้วก็อาจลอาจรลาสทาคือไม่ไม่สันไหวยังยกตัวอย่างตอนที่เข า, ารณรงค์เรื่องเรียกร้องให้พระุทานาเป็นศาสนาประจำชาติเคยื่อนมาเองก็รับรู้อยู่ตลอดแต่ว่าเราใช้วิธีการโทรศัพท์คุยกับ สสรพวกสอนอชพวกกรรมธิการอะไรแต่เราก็คุยกันแต่ก็ไม่ออกไปเคลื่อนไหวอาจจะเขียนหนังสือก็จะบรรยายอะไรแต่ใดก็ทําไปแต่เราฟังความคิดเห็นของคนเนี่ยคือแสดงว่าจับประเด็นไม่ได้เลยไม่เข้าใจแม้แต่คําว่ า, าศาสนาประจําชาติคือาศาสนานี่คือตัวาศาสนธรรมา แล้วเอาประจําใจของศาสนิกแต่ว่าที่ต้องอาศัยกฎหมายนี่มันบ้านมือมันเปลี่ยนแปลงเป็นนิติรัฐหรือถ้าไม่ไม่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี่มันจะขับเคลื่อนเราต้องประกาศเป็นยุทธศาสตร์ชาติยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราต้องการพัฒนาคนของเราเนี่ยให้เป็นศาสนิกที่มีคุณภาพ แต่ว่ามันก็ค่อยๆทำค่อยๆไปสมมติว่าระดับอนุบาลจนถึงป .3 เราก็เอาขนาดไม่ดื้อเอาไม่ดื้ออย่างเดียวแล้วก็พอเลยป .3 ไปจนขนาดม .1 มอ .2 อะไรเนะี่ยฮะเรียนดีประพฤติดีไม่ดื้ออาเป็นสามอย่าง แล้วพอขึ้นม .4 ขึ้นไปเนี่ยซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าที่เอาสามอย่างแต่อย่าลืมนะฮะเรียนดีประพฤติดีไม่ดือ้อซื่อสัตย์กตัญญูรู้หน้าชีมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆเลยคุณธรรมเราเนี่ยมันก็อยู่ไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นมาสเป็นมาสที่จะวัด คนที่ผ่านการศึกษาเราตรวจสอบแทนที่จะตรวจสอบเฉพาวะวัดผลเฉพาะตัวความรู้เนี่ยต้องวัดผลระดับความคิดนวัดผลระดับความสามารถต้องระวัดวัดผลระดับคุณธรรมอุฒิภาวะในทางจริยธรรมหรือศีลธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็ไม่ได้ว่ากันต่อรถึงแม้แต่ข้าราชการเนี่ยเอาโอนี้เป็นมา ทีนี้มันก็สามารถที่จะใช้บังคับได้เพราะว่ากฎหมายมันเป็นรัฐธรรมนูญมันเป็นกฎหมายแม่กฎหมายหลักคือเวลาเนี้ยเราสอนศีลธรรมเฉยๆเนียมันได้กับคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองแล้วพอศี น, นี่คนจะไม่เคยรับแล้วเพราะสีนเนี่ยไปกำกับควบคุมอะไรไม่ได้แต่กฎหมายเนียมันกำกับคูควบคุมได้แล้วบางทีครูบาอาจารย์เนี่ย ถามว่าาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติคนจะดีขึ้นทันทีทันใดหรอมันรูปมันพูดไปได้ยังไงมันเกิดมาเป็นคนได้ไงพูดได้เงี้ยมันมีอะไรที่ทันทีทันใดเอมันไม่มีหรอกทันทีทันใดแม้แต่พระเจ้าสัตสรู้มาก็ปลดคนไม่ได้ทันทีทันใดแต่ว่ามันจะมีมาตรการในการพัฒนาสังคมที่เราเรียกสังคมอุดมปัญญา แต่เราก็ไม่มีทิศทางอะไรเพราะฉะถ้าเราศรัทธาเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในพระตนรมตรายจนถึงก็ะยั่งลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่หวั่นไหวตรงตัว น, นี้ที่จริงค่อนข้างยากแหละหมายค่ามมาต้องขึ้นไปถึงระดับเปโสดาบาลแล้วคนทั่วไปนี่ยังแว่งอยู่นะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยังแว่งอยู่ โดยเฉพาะยิ่งคือกับประสงค์พระสงค์เนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างความอ่อนไหวมากเพราะว่าพระสงค์ถูกมองในลักษณะที่เล็งผลเลิศจนเกินเหตุคือเกินความจริงที่ท่านเป็นพูดคล้ายๆกับพระสงค์เป็นกายหยียสิทธิ์แล้วพู้โน่นไปหายไปเรื่องเองหลุดพ้นเรื่องอะไรตอได้ไปไปหายไปเลยตัวเองศีลห้ารักษาได้หรือเปล่าที่มีหน้ามาพูดเรื่องหลุดพ้นนะ่ะ หรือเขาพูดเรื่องศีลธรรมจรร ญ, ญาเขาพูดเรื่องสังคมเขาพูดเรื่องศีลธรรมเฉย ๆ, ๆก็เป็นพูดเรื่องหลุดพ้นหลุดพ้นนี่ระดับหนึ่งมันไม่ต้องจะอยู่ในศาสนาประจำชาติประจำใจของคนแล้วแต่ว่ามันต้องเริ่มที่ประจำชาติเพื่อเป็นเอกลักษณ์ร่วมกันของคนภายในชาติแล้วสมมุติว่าเราเต็มเต็มที่สมมุตินะะสมมุติเราเต็มที่เราเอาสักสี่ข้อนี่ ซื่อสั ต, ตย์มั่นกตัญญูรู้หน้าที่มีศีลธรรมตัวหลักจริงๆก็มีศีลธรรมนั่นแหละทีนี้คนถ้ามีศีลธรรมมันก็มีซื่อสัตย์มัน่นมีความกตัญญูแล้วก็รู้หน้าที่เองศีลธรรมจะเป็นตัวกำกับการใช้ชีวิตของเขาให้ดำรงอยู่ในสัจจะหรือความซื่อสัตย์สุรจริตกตัญญูก็คือปัญญารู้หน้าที่ก็คือปัญญา เห็นไรู้ปัญญาแล้วก็มีความบริสุทใจจริงใจคือต่อหน้าคนรับหลังคนไม่รู้ตัวเองก็รับผิดชอบครับคือสังคมเรามีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบของคุณธรรมทางาศาสนาศีลธรรมทางาศาสนาถ้าไม่งั้นเราจะตกเป็นเหยื่อกระแสะโลกาภิวัตน์และอย่าไปคิดหวังว่าเราจะต้านกระแสะโลกาภิวัฒน์ได้ไม่มีทางหรอก เราต้องรู้จักมันแล้วเอาชนะมันหาประโยชน์จากมันให้ได้เหมือนกับน้ำหลากมาเนี่ยเราไปปะทะอะไรมันไม่ได้แต่เราต้องหาประโยชน์จากน้ำไม่ได้ลมพัดมาเราจะไปแก้ลมพัดไม่ได้แต่เราก็หาประโยชน์จากลมให้ได้เพระาะในหลักการตรงนี้จะจึงเป็นหลักการธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เปเรื่องสลับซับซ้อนอะไร แล้วทุกคนพูดได้หมดเป็นเรื่องที่น่าสลดใจมากพอพูดประเด็นมันก็ไม่กระชับไปจับประเด็นไม่ได้ว่าศาสนาคืออะไรเนี่ยยังยังไม่รู้เลยแล้วบางคนใหญ่โตคนใหญ่คนโตมาเทศได้พระฟังนะเรียกคันธุราชวิปัสนาธุรก็ผิดอธิบายก็ผิดไม่รู้เรื่องเลยไปใช้สับ์บลีอย่างเงี้ย นั่นก็แสดงว่าศรัท ธ, ธาเนี่ยมันยังไม่มีจริงหรอและปัญญาก็ไม่มีด้วยเพราะศรัท ธ, ธาจึงต้องถึงจุดหนึ่งก็คือเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สมมุติเราจะมีพระสงฆ์ท่านทําอะไรหกคำเณรตีลังกาอะไรก็รเรื่องของท่านไม่ได้เกี่ยวคนเราก็มาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนเราไม่ต้องไปยุ่งกับชาวบ้านขเขาหรอก ประสงค์ดีก็เป็นเรื่องดีของท่านไม่ดีก็เรื่องไม่ดีของท่านถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็รับผิดชอบในสินธรรมส่วนตัวของเราแล้วเมื่อเรามีสินธรรมเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคมตามโครงสร้างของพระพุทธคุณประการต่อไปถามว่าอะไรหนอย่อมปกครองคนนั้นพุทธิยารับสั่งว่า ปัญญาย่อมปกครองคนนั้นเห็นหมาทั้งศรัทธาทางปัญญาปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เราอาจจะพูดคำเดียวือทั้งไปนะฮะว่าศาสนาพูดเป็นศาสนาแห่งปัญญาปัญญาหมายถึงความรอบรู้โดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยการเกิดของปัญญามันจะมาอยู่สองทางใหญ่ ตาหนึ่งก็เรียกสัจาติกะปัญญาเป็นปัญญาที่ติดตัวมาโดยกำเนิดแล้วก็เป็นตัวเป็นกรรมซึ่งนำเรามาเกิดนะเขาเรียกาสัตว์ที่เกิดโดยไตรเหตุประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหมายความไม่จิตใจผ่องใสยอยากกัหน้านของกิเลสทั้งหลายคนเหล่านี้ก็จะมีปัญญามีความเข้าใจแทนที่จะตัดสินอะไรไปตามที่เห็นเนี่ย มันมองจากจุดนั้นไปหาจุดที่ไม่ปรากฏไปหาจุดที่คล้ายคลึงไปหาจุดที่แผลกเพี้ยนไปหาจุดที่เหมือนกันไปหาจุดที่ตรงกันข้ามคือสามารถมองอะไรได้แล้วเข้าใจสิ่งต่างๆในเชิงที่มันรวมกันอยู่หรือว่าจะจำแนกแย่ๆออกไปได้เพราะตามปกติให้ลองสังเกตว่ากิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยม่เกิดขึ้นจากการมองรวบหรือมองแยก ชโลภะในบางทีเรามองแยกบางทีเรามองรวบมองรวบก็คือโลภหมดเลยมองแยกก็คือโลภ บ, บางสว่วนบางสิ่งบางชิ้นบางอันอะไรต่าง ๆ, ๆไปแล้วแต่ทีนี้เมตตากรุณาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมองรวบหรือมองแยกถ้าเรามีความรู้สึกดีเช่นสมมติว่ามองประสงค์เนี่ยมองประสงค์ถ้าเรามองรวบปั๊บเนี่ย เราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านต้องพยายามพระสงค์คือบุคคลที่พยายามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรไม่มีพระไทยพระลาวพระขมรคือพระในพระพุทธศาสนาและพอใจเรากว้างเนี่ยนักบวชในศาสนาคิดบาทหลวงในศาสนาคิดอะไรตระไรโตอิมามโตครูอะไ ร, ต, ะไรต่างๆเราก็ให้เกียรติก็แสดงว่า พอเรามองเกณฑ์ที่ความเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะไม่ไปแบ่งแยกอะไรปัญญาอย่างนี้ก็เป็นปัญญาที่แหลมคมลึกซึ้งนะฮะามันต้องขจัดโมหะให้จางลงไปได้มากจึงจะทำได้ปัญญาประการหนึ่งจึงเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่าโยคะปัญญาคือสร้างขึ้นพัฒนาขึ้นการเรียนรู้กาเราในแต่ละวันเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยเราเราอยู่นิ่งไม่ได้ออมาเองหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยอ่านเวลาเนี้ยก็รู้สึกว่าแหมมันวุฒิภาวะมันแย่มากมันอะไรแหละเหมือนกระยัพิิตมันเป็นลีลาอารมณ์มากไปแต่เราก็หาหลักหนังสือวิชาการหนังสือระดับวิจัยหนังสือระดับศุลวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอามาอ่าน แต่ว่าส่วนใหญ่เราจะหนักไปในเรื่องประไตรปิดกกับตรัสรัตมากกว่าต่เห็นว่ามันก็ยังไงยังไงมันก็หลวมๆ ม, มันสู้พระบาลีพุทธวจะนะไม่ได้แต่เราเห็นประโยคเดียวเราก็มองอะไรได้เยอะเราเข้าใจอะไรได้เยอะปัญญาที่เป็นโยคะปัญญาคือประกอบขึ้นนย่างคือการเรียนรู้ธรรมประสาสัมผัส แล้วก็นำมาคิดเรืได้จินตามัจจาปัญญาคือนำมาคิดคิดได้คิดได้ไ ด, ค ด, ด, ดีคิดได้เป็นคิดได้ชอบเข้าใจคิดแล้วก็เป็นสัมผัสตรงคือจากลงมือประพฤติปฏิบตัติคือธรรมะนี้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบตัติหรือแม้แต่ว่าเราไม่เอามาคิดไม่ดูที่จิตเรานะแล้วเราไปดูที่คนอื่นเนี่ยเราแก้ปัญหาไม่ได้เราเราต้องดูที่จิตเรา รามาเข้าใจเนี่ยคือใจเราเป็นคนเข้าใจเพราะธรรมะมันต้องเข้าไปอยู่ที่ใจแล้วก็สัญดงออกมาที่ใจปรากฏทางกายทางวาจาที่ใจเราก็ไม่เห็นหรอกแต่ออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยเราก็ได้เห็นได้ยินปัญญานี่เป็นปัญญาภาคบริหาร คือจะต้องมีความชัดเจนว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์แล้วก็มีอุบายวิธีที่จะหลีกเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มาประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทีนี้ระหว่างเป็นประโยชน์ด้วยกันอะไรเป็นประโยชน์มากกว่ามากกว่าด้วยกันอะไรเป็นประโยชน์ที่สุดที่สุดด้วยกันอะไรยาวนานกว่า เป็นประโยชน์เกือ้อกูลแม้แต่เราตายจากไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ยังอยู่คือมองเผื่อสังคมคือถ้าเรามองคิดแคบแคบคิดเฉพาะตัวเรามาก็น่าเสียดายชีวิตที่เกิดม า, าเกิดมาเนี่ยเราต้องตายแน่แต่ว่าก่อนจะตายเนี่ยทำยังไงจะ สร้างสิ่งดีงามเอาไว้ในชาติบันเมืองในสังคมก็เรียกว่าเราอาศัยประเทศชาติแล้วก็ให้ประเทศชาติได้อาศัยเราเราอาศัยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อาศัยเราไอ้ที่จริงอย่างประเด็นประเด็นเรื่องศาสนาประจาชาติ คือพอเขาสัมภาษณ์เขาพูดเียมันแสดงว่าขาดความรู้เรื่องศาสนาจังเลยคนเราเนี่ยและแกพูดได้ทุกงานเนี่ยมันเจ็บใจตรงเนี้ยศาสนาประจำชาติเฉพาะโลกอาโลกโลกของอิสลามเนี่ยเขามีร่วมห้าสิบประเทศคริสได้มีสิบกว่าประเทศพุทธนี่มีสามประเทศวิธีเขียนนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันหรอกแต่อิสลามเนี่ยเาชัดมากเด สาธารณรัฐอิสลามอิรานสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานสมาพันธ์รัฐอิสลามมาเลเซียเงี้ยเขาเขาเข า, เขาเรียกชัดเลยเขาก็ใช้าศาสนธรรมในพระคัมภีร์อันกุร่าเนี่ยเป็นหลักการในการกํากับควบคุมพฤติกรรมของสังคมเพาะฉะนั้นเราเห็นว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะออกมาในเรื่องของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะแรง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสินข้อกาเม่เนี่ยจะไม่ค่อยแรงสินข้อข้อกาเม่คืออะไรล่ะมันไม่ค่อยมีการยั่วยุทางเพศแต่ว่าแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวคราวในเรื่องเหล่านี้ก็สรุปว่าระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยศาสนาทุกศาสนามีคําสอนอ ย, ยยอย่างที่มายกยกประอย่างเกี้เนี่ยว่า ซื่อสัตว์มั่นกระตันอยู่รู้หน้าชี่มีศีลธรรมก็มีอยู่ทุกศาสนาไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าทำไมต้องศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั่นคือระบบประชาธิปไตยด้วยเป็นนิติประเพณีมาก่อนด้วยคือการไปอ้างว่ามีศาสนาอื่นอยู่เนี่ยมันมันเข่าเกินไป เพราะในโลกนี้มันเป็นภูมสังคมทั้งนั้นเลยทั้งโลกเนี่ยเป็นเป็นหมู่สังคมทั้งนั้นเนี่แล้วในแต่ละประเทศจะมีคนนับถือาศาสนากระจายเป็นเบียดด้ยหัวแตกตลอดไม่มีว่าล้วนๆเลยแม้แต่ว่าประเทศที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติไม่ใช่ทุกคนเป็นอิสลามแต่ว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นอิสลามแต่นั้นเองวันประเทศไทยมันก็เหมือนกันว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นพุทธ แต่ประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธทีนี้พุทธมันก็ต้องใช้มาตรการกฎหมายมาตรการหลังศีลธรรมมาตรการทางธรรมะเพื่ออะไรเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมของความเป็นผู้รู้ผู้ดื้อผู้เบิกบานแต่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมีปัญญาในการมองในการเข้าใจปัญญาปกครองตัวเองแล้วก็ปกครองครอบครัวปกครองสังคมปกครองประเทศชาติ ก็ น, นำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วถามว่าออสัตว์ยินดีในอะไรจึงพ้นจากทุกข์ต้องปวงได้อย่าลือ ม, มาใช้คํำมาทุกข์ต้องปวงนะฮะทุกข์ต้องปวงเนี่ยมันเรื่องใหญ่ล่เพราะงั้นผู้เจ้กาก็รับสั่งว่าสัตว์ยินดีในนิพพานในพระนินพพานจึงพ้นจากทุกข์ต้องปวงได้ประเด็นของ คำถามสำคัญว่าท่านใช้คำว่าทั้งปวงการรับรองผลที่ใช้คำว่าทั้งปวงเนี่ยตัวเหตุจะต้องสมบูรณ์แต่ว่าการจะก้าไปสู่เหตุิสมบูรณ์นั้นคนจะต้องพอใจนนในนิพานเพราะคนส่วนใหญ่เขายินดีในภพนาะคนส่วนใหญ่เขามีพระวัฒนาเขาพอใจยินดีในภพอยากจะเกิดบนสวงสวรรค์มีเทพทธิดาห้าร้อยมีเทพทธิดาหนึ่งพันเทพบุตรองค์เดียว ไม่รู้อยู่กันยังไงนะแล้วก็ไม่ได้คิดต่อตขอให้ได้อันนี้คือคือมนุษย์ที่ถูกความมืดมันหุ้มห่อเอาไว้ไม่ได้คิดต่อชีวิตอย่างนั้นเอาไปทําอะไรอะไรคือความสุขเพราะความสุขที่เกิดกขึ้นจากการเกาแผลคันเนี่ยมันมันแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะมันคันอยู่เรื่อยนั่นแหละ พัการยินดีในนิพานเนี่ยเราจะเห็นว่าในอุปสมานุสติการตั้งสติเราลึกถึงนิพานนิพานแปลง่ายๆว่าดับกิเลสแล้วก็ดับทุกข์แต่ว่าระดับนั้นสมบูรณ์เราแต่ว่าบรรเทากิเลสบรรเทาทุกข์เราบอกรเทากิเลส ท, ทุกข์กกมันก็บันเทาแหละ มันเหมือนกับเราลดความร้อนเนี่ยอาการร้อนมันจะลดเองคือไม่ต้องไปยุ่งมันทีนี้เบอนี้มันก็จับประเด็นได้ครับครับวันก่อนที่ก็นั่งเครื่องบินไปต่างจังหวัดกันก็ไปเจอกับรองเลขาธิการปปอสอก็สอบถามก็เคยเห็นหน้าเขานะฮะไม่ได้จักหรอกถามว่า มันมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งเสพติดในบ้านเมืองเราหรือเปล่าว่ามันสาเหตุจริงๆเนี่ยมาจากไหนก็ปรากฏว่าสาเหตุเราว่าการมันอาการของกิเลสเนี่ยเราเนื้ว่าเป็นสาเหตุของมันเห็นว่าคบเพื่อนบ้างทดอยากทดลองบ้างว้าเวบ้างนะหรือว่ากระกรุ่มบา้างอะไรต่างๆก็สรุปว่า ถูกบางคับบ้าง ก, ก, ก็สารพัดแล้วบอกว่าที่จริงไม่ใช่หรอกคือสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากความโง่ความอยากแบบพวโง่ถ้ามนุษย์เราได้พัฒนาปัญญาจนเห็นโทษของสิ่งเสพติดแล้วเนี่ยสิ่งเสพติดให้กองเป็นภูขเขาเขาก็ไม่เสพเพราะอะไรเพราะอาจฉรกรรมศีลห้าข้อนี่ให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่ห้าข้อนะฮะเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกนึงคือห้าข้อเนี้ ปัญาทิบาดเราวิ่งเข้าไปหาปัญหาก็ได้ปัญหาวิ่งมาหาเราก็ได้อธทินนาทานเราวิ่งก็หาทรัพย์ก็ได้นะฮะหรือเราเจอทรัพย์โดยโดยบังเอิญก็ได้แล้วก็เกิดโลคหรือว่าเรื่องทางเพศก็เหมือนกันแหละคือเขามาหาเราก็ได้เราไปหาเขาก็ได้ในการโกหกก็เหมือนกันนะฮะเราไปหาเขาไปโกหกเขาก็ได้เขามาเามาให้เราโกหกก็ได้ก็แล้วแต่ แตสิ่งเสติไม่ใช่เนี่ยิ่งเสตติมันไม่มีชีวิตมันเคลื่อนไหวไม่ได้โดยตัวของมันเองมันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้ชัดเจนวมันเป็นโทษเนี่ยเราก็สมรุจระวังไม่เสพไม่สูบไม่ฉีดมันก็อยู่ก็อยู่ไปเถแต่ว่าใจคนต้องหยินดีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเราเราเรา พยายามจับประเด็จให้ได้ว่าปัญหาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันมาจากกิเลสนี่แหละมาจากราคาโลภโทสะโมหะนี่แหละไม่ได้มาจากอื่นเลยนับไปเถอะและกี่ร้อยกี่พันปัญหาก็ฐานะทีนี้นก็กลับไปว่าถ้าเรายินดีในนิพพานแต่อย่าลืมว่ามันปรับฐานมาที่ศรัทธาความเชื่อความเชื่อตึงความมีอยู่ของนิพพานปัญญาพิจณาเห็นคุณค่าของนิพพาน เห็นโทษของการเวียนว่ายในสังสารวัฏผลคาว่าภิกษุเนี่แปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดที่ท่านต้องสละความสุขแบบชาวบ้านเนี่ยก็เพราะเห็นภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดต้องการที่จะหลุดพ้นอย่าน้อยก็ลดความเข้มข้นของปัญหานั้นลงมา เพราะใจต้องยินดีในกุศลสังคมเราที่มีปัญหานี่คือมนุษย์ไม่ยินดีในธรรมที่จริงมันมันเรื่องง่ายแต่มันก็ยากเพราะว่าระดับจิตนี่มันมันดำดิ่งลงไปมากเลยมีเทวดามากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ได้ยังไงบาคนาจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ ปุจจารับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายอย่าลืมว่าเขาถามเป็นปัจเจกะเป็นปฏิจกชนแต่ถ้าหากว่าคนรังเกียจธรรมะกันมากๆ ม, มันก็อาจจะพูดว่าชนใดหรือชาติใดหรือว่าสังคมใดสังคมใดใคร่ธรรมสังคมนั้นเจริญสังคมใดจิงชังธรรมะสังคมนั้นประสบความเสื่อม าการจุดกระแสเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเเพื่อจะสร้างสังคมฝ่ายคุณธรรมขึ้นมาแล้วก็เป็นมาตรวัดเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวผลักดันเป็นตัวขับเคลื่อนไปหมดเลยเอาธรรมะนี่เป็นเกณฑ์หมดแล้วก็เป็นมาตรวัด โดยถึงจุดหนึ่งเนี่ยเป็นการปกครองที่ไม่ต้องปกครองใจคนจะมีธรรมะเองถ้าเราพัฒนาคนมาถึงจุดนี้ได้ เ, เราจะประหยัดอะไรเยอะเศรษฐกิจมันจะดีสังคมจะดีการเมืองก็ดีความมันคงไม่เกิดอะไรก็ตามมาเป็นแถวเลยแต่พอเราชิงชังธรรมะพูดเรื่องธรรมะไม่ได้พูดเรื่องาศาสนาไม่ได้แล้วก็อ้างอะไรเนี่ย วันก่อนไปอ่านงานวิจัยเขาก็ใช้คำเป็นไทยๆตรงๆอย่างนี้ว่าเออที่จริงคคำพูดเหล่านี้มาเคยเคยได้ยินคำพูดอดีตรัฐมนตรีประจำสานักเขาเคยพูดเขาใช้คำว่าดัชริทคือจริงๆตัวเองไม่ได้ดีเดอะไรนักๆนาหรอกแต่ว่าทําโอ้อวดไปอย่างนั้นเอง เพราะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีโทษเลยโทษเราสร้างผีขึ้นมาหลอกตัวเองเฉยๆทั้งฟังทั้งหลายสิ่งธรรมจากมหาิิตรลัยสีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูยทั่วกันสวัสดี